วันนี้เป็นวันเสาร์ที่ยี่สิบแปดพฤศาคมพุทธศักราชสอง6ห้าสบเป็นวันที่ท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้ฝ่ายธรรมทั้งหลายได้ตั้งใจมาฟังเทศฟังธรรมกัน มาศึกษาหาความรู้จากพระพุทธศาสนาเพื่อที่จะได้นำเอาความรู้นี้ไปใช้ให้เกิดคุณเกิดประโยชน์แก่ชีวิตจิตใจของท่านทั้งหลายสิ่งที่ท่านจะได้ยินได้ฟังได้ศึกษาจากพระพุทธศาสนานั้น เป็นสิ่งที่เป็นความจริงที่ได้รับการพิสูจน์จากพ ร, พ, พ, รพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกของพระพุทธเจ้าแล้วได้รับการยืนยันว่าเป็นสวากขาโตพระกวตตาธรรมโมเป็นธรรมที่ตัดไว้ชอบแล้ว ถูกต้องตามหลักความจริงทุกประการความจริงที่พวกเราจะมาศึกษากันวันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี้คืออะไรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คือสิ่งที่สามารถดนบันดาลให้เกิดคุณเกิดโทษกับชีวิตจิตใจ ของสัตว์ทั้งสโลกทั้งปวงได้อันนี้คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถ้าเราไม่ได้ศึกษาจากพระพุทธศาสนามาก่อนเราก็จะมีความเชื่อหรือมีความเห็นว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นคือเท้าวัตถุมงคลต่างๆเครื่องรางของขลังต่างๆ ที่เราบูชากันที่เรากราบไหว้กันที่เราขอพรกันหรือแม้หรือแม้แต่บางท่านก็อาจจะไปเชื่อว่ามีพระเจ้ามีพรมมีอินมีพรมมีพระเจ้าที่สามารถโดนบันดาลสิ่งต่างๆที่เราปรารถนากัน คือเราปรารถนาความสุขความเจริญเราปรารถนาไม่ให้เกิดความทุกข์เกิดความเสียหายกับเราถ้าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์จริงทําไมพวกเรายังไม่สุขไม่เจริญกันทําไมพวกเรายังมีความทุกข์มีความเสียหายต่างๆเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆ นั่นก็เป็นเพราะว่าเครื่องรางของขลังต่างๆสิ่งสิ่งที่เรากล่าวไหวบูชาเชื่อกันนั้นมันไม่ได้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยถ้าเป็นสิ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์จริงแล้วโลกเหล่านี้จะอยู่กันอย่างมีความร่มเย็ยนเป็นสุขมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญ แล้วก็ไม่มีความแก่ความเจ็บความตายไม่มีความเสื่อมไม่มีความสิ้นสุด ข, ของราบยศรรเสรสุขที่พวกเรามีกันอยู่แต่มันไม่ใช่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์จริงโลกเราเลยต้องมีความทุกข์ความวุ่นวายใจกันอยู่เรื่อยๆพวกที่เขากราบไหว้พระเจ้า เวลาที่เขาเกิดอันตรายกับตัวเขาหรือกับคนที่เขาลักเขาก็ร้องหม่ร้องไห้ถามพระเจ้าว่าทำไมถึงทำไม่เกิดขึ้นในเมื่อพระเจ้าสามารถที่จะทำสิ่งดีๆต่างๆให้กับเราได้ทำไมจึงมาทะปล่อยให้สิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นกับเรา อันนั้นก็เป็นเพราะว่าสิ่งที่เราเชื่อว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นมันไม่ได้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างที่เขาคิดอย่างที่เราคิดกันไม่สามารถโดนบันดาลให้มีแต่ความสุขความเจริญให้เกิดขึ้นกับเราเพียงอย่างเดียวไม่ให้เกิดความทุกข์ความเสียหายต่างๆเกิดขึ้นกับเรานี่คือสิ่งที่ ไม่ใช่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์แม้แต่ในพระพุทธศาสนาเช่นวัตถุมงคลต่างๆเช่นพระพุทธรูปที่เราสร้างกันขึ้นมาแล้วก็กราบไหว้กันขอพรกันไปวัดดังๆกันวัดที่มีพระพุทธรูปที่มีคนร่ำลือกันว่าเป็นเป็นพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์ขออะไรก็ได้ดังปาทะนากันถ้าได้กัน ดังปาณนาก็ร่ำรวยกันไปทุกคนแล้วเป็นใหญ่เป็นโตกันไปหมดแล้วมไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายกันไปหมดแล้วแต่มันไม่ใช่เป็นสิ่งที่สิ่งเหล่านี้คือพระพุทธรูปหรือวัตถุมงคลต่างๆสามารถที่จะทำให้กับเราได้ยังไม่ถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์น่แต่พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ ผู้ประเสริฐท่านก็ไม่สามารถที่จะโดนบันดาลความสุขความเจริญความแค็งแกรปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงให้กับพวกเราได้ mm hmm. พระพุทธเจ้าทำให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ไม่ได้ทำให้เราไปถึงพระนิพพานเองไม่ได้ mm hmm. พระพุทธเจ้าพระธรรมคำสอน และพระอริยสงสารกทั้งหลายทำได้เพียงแต่บอกทางเท่านั้นเองท่านเป็นผู้บอกทางบอกให้เรารู้วิธีที่จะพาให้เราไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงไปสู่ความสุขที่ถาวรที่ไม่มีวันสิ้นสุดแต่ท่านไม่สามารถโดนบันดาลให้เราไปนิพพานกันได้ ไม่สามารถดนบันดาลให้พวกเราเป็นพระอรหันต์กันขึ้นมาได้ท่านเพียงแต่บอกทางให้เราและทางหนึ่งส่วนและความรู้ทางในทางนี้ที่ท่านสอนเราก็คือให้เรารู้ว่าอะไรเป็นสิ่งศักดิก์สิทธิ์เพื่อที่เราจะได้ใช้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องสิ่งศักดิก์สิทธิ์นี้มาใช้ให้เกิดคุณเกิดประโยชน์กับ ชีวิตจิตใจของพวกเราจะได้ไม่หลงทางกันจะไม่ได้จะได้ไม่ไปเจอแต่ความทุกข์ความเสียหายอยู่เรื่อยๆืสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั้นทรงคนพบหรือทรงอนามาสั่งสอนให้แก่สารโลกนั้นก็มีอยู่สองสองส่วนด้วยกัน ส่วนที่หนึ่งเรียกว่ากฎแห่งกรรมส่วนที่สองคือกฎของไตรลักษณ์กฎของธรรมชาติมีมีสองกฎนี้นะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่แท้จริงที่จะให้คุณให้โทษกับชีวิตจิตใจของพวกเราอย่างแท้จริงพวกเรานี้มีสองส่วนมีร่างกายแล้วก็มีจิตใจ ก็เลยมีกฎสองมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สองส่วนที่จะมาดูแลชีวิตของพวกเราที่มีสองส่วนคือร่างกายและจิตใจกดแห่งกรรมนี้ก็มาดูแลทางด้านจิตใจของพวกเรากฎแห่งกรรมนี้จะทําให้จิตใจเราเนิ่งสูงขึ้นหรือต่ําลงจะทําให้เราสุขขึ้นหรือทุกข์ลง ทุกมากขึ้นรู้สึกมากขึ้นส่วนกฎของตายรักนี้มันก็จะมาดูแลเรื่องร่างกายของเราและสิ่งที่ร่างกายเราหามากันก็คือโล ก, กธรรมสี่ประการด้วยกันคือลาบยศสารเสริญสุขในร่างกายกับโล ก, กธรรมสี่คือลาบยศสารเสริญสุขนี้อยู่ภายใต้กฎของตายรัก ของอนิจจังทุกขังอนัตตาส่วนจิตใจของพวกเรานี่มันอยู่ภายใต้กฎของกฎแห่งกรรมนี่แหละคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่แท้จริงเพราะกฎทั้งสองอันนี้แหละจะเป็นสิ่งที่จะทำให้เราสุขหรือทุกข์เจริญหรือเสื่อมไม่มีกฎอะไรในโลกนี้ไม่มีอะไรที่จะเป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธ นอกเนือจากกฎทั้งสองกฎนี้คือหนึ่งกฎแห่งกรรมสองกฎของไตรักอั น, นิจจังทุกขังอนัตตาถ้าเราได้ศึกษาได้เข้าใจแล้วเราก็จะได้นำเอามาปฏิบัติให้ถูกต้องเราก็จะสามารถได้สิ่งที่เราต้องการกันได้ และไม่ทุกข์กับสิ่งที่เราไม่ต้องการได้เพราะว่าเรารู้ว่าความทุกข์นั้นเกิดจากตัวของเราเองเกิดจากความอยากของเราเองเช่นเรื่องกฎของตายรักก่อนก็ได้กดของตายรักนี้มันแสดงไว้ว่าสิ่งต่างๆนั้น ยอมมีการเปลี่ยนแปลงไปตามการตามเวลาไม่มีอะไรคงสภาพเหมือนเดิมมีเกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องมีการเจริญมีการเจริญแล้วเมื่อก็จะมีการเสื่อมมีการเสื่อมแล้วก็มีการสิ้นสุดมีการดับนี่คือกฎของไตรลักษณ์ที่ควบคุมสิ่งต่างๆที่เรา สัมผัสด้วยร่างกายของเราเช่นโลกธรรมทั้งสี่คือลาบยศสะลดเสริญและความสุขที่เราได้รับผ่านทางรูปเสียงกลิ่นรสพดทพะสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงมีการเจริญได้และมีการเสรื่อมได้ มีลาบก็เสื่อมลาบได้มียศก็เสื่อมยศได้มีสรรเสริญก็มีนินทาได้มีสุขก็เปลี่ยนเป็นทุกข์ได้เพราะนี่คือกฎของอนิจจังทุกขังอนัตตาร่างกายผู้ที่ไปหาสิ่งเหล่านี้มาเสกให้แกามาให้ลาให้ให้จิตใจเสก ก็เป็นของที่ไม่เที่ยงเหมือนกันเป็นของที่มีการเจริญมีการเกิดขึ้นแล้วก็มีการเจริญเติบโตเมื่อเจริญเติบโตเต็มที่ก็จะเสื่อมก็จะชราภาพจะแก่ลงไปทีละเล็กทีละน้อยแล้วก็เริ่มมีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วในที่สุด ก็มาสู่ความตายนี่คือกฎของตายลักษที่ควอบคุมทุกอย่างที่มีอยู่ในโล ก, กธาตุทั้งสีน่นี้ร่างกายของพวกเรานี่อยู่ในโล ก, กธาตุทุกสิ่งทุกอย่างทำมาจากธาตุธาตุสี่คือธาตุดินน้ำลมไฟเวลาธาตุสี่มารวมตัวกัน มันก็ปรากฏให้มีร่างกายของมนุษย์ร่างกายของสัตว์เดรัจฉานมีต้นไม้มีภูเขามีอะไรลำห้วยลำทานมีน้ำมีทะเลมีท้องฟ้ามีอะไรต่างๆสิ่งต่างๆเหล่านี้เราเรียกว่าธาตุธาตุที่ประกอบขึ้นด้วยธาตุทั้งสี่บางส่วนก็ไม่ได้รวมกันก็เป็นธาตุล้วน เช่นธาตุน้ำเมื่อไม่ได้รวมกับดินน้ำไม่ได้ดินไม่ได้รวมกับดินกับลมกับไฟก็ไม่ก็ไม่มีอะไรก็เป็นแต่น้ำเช่นเดียวกับลมกับดินกับไฟถ้าไม่รวมกันไม่ผสมปรุงแต่งกันก็เป็นเพียงดินน้ำลมไฟแยกแกยกกันอยู่ตามปกติแต่ถ้าตรงไหนมีการรวมตัวกัน ก็ปรากฏเป็นสิ่งที่มีชีวิตขึ้นมาเช่นต้นไม้ต้นยญ้าแล้วก็ร่างกายของสัตว์ของมนุษย์อันนี้ก็เป็นของที่ทำมาจากาธาตุทั้งสีงนั้นสิ่งที่ปรากฏขึ้นมาในโลกาธาตุทั้งสีน่นี้อยู่ภายใต้กฎของใตรักก็เป็นของที่ไม่ ไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่ถาวรเป็นของที่ต้องมีวันสิ้นสุดลงเมื่อมีการเกิดแล้วย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนพระปัญจาวาคัคคีจนหนึ่งในพระปัญจาวัคคีก็มีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาเห็นว่าสิ่งใดมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาเป็นสิ่งที่ไม่มีใครไปควบคุมบังคับเขาได้เขาเป็นอนัตตาคือเขาไม่มีตัวมีตนไม่มีใครไปควบคุมไปจัดการให้เขาอยู่แบบไม่เสื่อมไม่ได้แล้วถ้าใครอยากไปให้เขาไม่เสื่อมอยากให้เขาอยู่ไปนานๆอยู่ไปตลอด ก็จะต้องทุกข์ใจขึ้นมาความทุกข์เกิดจากใจที่ไปอยากให้สิ่งที่มันไม่เที่ยงเที่ยงสิ่งที่ไม่ใช่เป็นของเราเป็นของเราเท่านั้นเองเพราะไม่เข้าใจกฎของไตรลักษณ์เช่นร่างกายนี้เป็นธาตุสี่ทำมาจากดินน้ำลมไฟแล้วก็มีธาตุรู้คือใจนี้มาครอบครอง พอมาครอบครองก็เกิดความยึดมั่นถือมั่นเกิดความหวงเกิดความรักร่างกายเกิดความอยากให้ร่างกายนี้อยู่ไปตลอดอยู่คู่ไปกับใจไปตลอดเพราะใจเป็นสิ่งที่ไม่ตายแต่ร่างกายนี้มันเป็นสิ่งที่ต้องตายพอใจไปอยากให้มันไม่ตายเท่านั้นแหละ มันก็เลยเกิดทุกข์ขึ้นมาในใจเนี่ยความทุกข์นี้ไม่ได้อยู่ที่ร่างกายถึงแม้เราจะเรียกกฎตายแล้วว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่ความจริงในร่างกายในสัพพ ส, ส, สิ่งทั้งหลายที่ประกอบขึ้นมาจากธาตุสี่นี้เป็นอนิจจังแล้วก็เป็นอนัตตาเท่านั้นเองไม่มีทุกข์ในในสิ่งเหล่านี้เ<ม>พราะสิ่งเหล่านี้เขาไม่มีการรับรู้ก็ไม่มีการรับรู้ว่าตัวเขาทุกข์ เขาไม่มีการรับรู้ว่าเขาเกิดเขาแก่เขาเจ็บเขาตายเขาไม่มีการรับรู้เหมือนต้นไม้นี่เขาไม่รู้เขาเกิดมาแล้วเดี๋ยวเขาก็แก่แล้วเดี๋ยวเขาก็เจ็บแล้วเดี๋ยวเขาก็ตายตัวต้นไม้เองของก็ไม่รู้ร่างกายของเราเขาก็ไม่รู้ว่าเขาเกิดมาแล้วเขาแก่เดี๋ยวเขาแก่เขาเจ็บเขาตายร่างกายมันก็ไม่รู้ ผู้ที่รู้คือใจใจที่มาครอบครองร่างกายมายึดมาถือว่าเป็นตัวเราของเรานั่นเองซึ่งมันขัดต่อหลักของกฎของตายรักว่ามันไม่ได้เป็นตัวเราของเรามันเป็นอนัตตามันไม่ใช่ตัวเราของเรามันเป็นของธรรมชาติมันเป็นของธาตุสี่คือดินน้ำลมไฟมันมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกฎของธรรมชาติ คือมีการเจริญแล้วก็ต้องมีการเสื่อมมีการเกิดแล้วก็ต้องมีการดับไปเป็นธรรมดาไม่มีอะไรอยู่นิ่งทุกสิ่งทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆอแต่การเปลี่ยนแปลงมันอาจจนดูช้าจนกระทั่งเราไม่สามารถมองเห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงกันเช่นร่างกายของเรานี่ทุกวันเราก็ดูร่างกายของเราเราก็คิดว่ามันเหมือนเดิม แต่มันค่อยๆเปลี่ยนไปทีลรเล็กเทียรน้อยสมัยนี้เรามีภาพที่เราถ่ายกันไว้เก็บเอาไว้ลองย้อนไปดูภาพที่เราถ่ายไว้ตอนที่เราเมื่อห้าปีสิบปีหรือยี่สิบปีมาแล้วมาดูวันนี้ดูว่าร่างกายวันนี้กับร่างกายที่ถ่ายภาพไว้เมื่ออดีตนี้เหมือนกันไหมมันไม่เหมือนถ้าจะเป็นคนละคนเลยก็ว่าได้ นั่นเพราะการเปลี่ยนแปลงเรียกว่าอนิจจังอนัตตาไม่มีใครไปห้ามการเปลี่ยนแปลงนี้ได้ไม่มีใครไปขัดขวางขัดขืนไปทำให้ไม่ไม่เสื่อมไม่ได้อันนี้แหละคืออนัตตาอนิจจังมีอยู่ในสรรพสิ่งทั้งหลายที่มีปรากฏขึ้นมาอยู่ในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่มีดวงวิญญาณมาครอบครองหรือไม่ก็ตาม ร่างกายนี้มีดวงวิญญาณก็มีจิตใจมาครอบครองร่างกายของมนุษย์ร่างกายของสัตว์เดรัจฉานนี้มีจิตใจมาครอบครองกันและจิตใจที่มาครอบครองนี่แหละที่ไปที่ไปทุกข์กับความไม่เที่ยงของสิ่งต่างๆในโลกนี้ไปทุกข์กับความเป็นอนัตตาคืออยากจะให้เป็นอัา ต, ตาให้ได้อยากจะให้มันเป็นของเราอยู่กับเราครวบที่เราสามารถครวบคุมบังคับ ได้ตลอดเวลาแต่มันก็ทําไม่ได้พอเวลาทําไม่ได้อะไรเกิดขึ้นก็เกิดความทุกข์ขึ้นมานั่นเองความทุกข์นี้ไม่ได้เกิดที่ร่างกายไม่ได้เกิดกับธาตุทั้งสี่แต่ไปเกิดที่ใจคือธาตุรู้ธาตุรู้นี้คือใจใจนี้มีหลายชื่อเ ร, เรียกธาตุรู้บ้างจิตใจบ้างดวงวิญญาณบ้าง นี่คือธาตุรู้ผู้ที่มาครอบครองร่างกายที่ประกอบขึ้นด้วยธาตุทั้งสี่แต่เป็นใจที่มีโมหะอวิชชาเป็นใจที่มีความหนงมีความไม่เข้าใจกฎของตายรักษณ์นี่เองจึงไปพอได้อะไรมาแล้วก็อยากจะให้สิ่งที่เราได้อยู่กับเราไปนา น, าน สิ่งที่เราเอามาใช้ให้เกิดความสุขกับเราเราก็อยากจะให้มันอยู่กับเราไปนานๆแต่มันก็เป็นสิ่งที่ไม่ได้ตรงไปกับความเป็นจริงเพราะไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะอยู่ไปได้ตลอดไม่มีอะไรที่จะอยู่ภายใต้การควบคุมความต้องการตามความต้องการของใจไปได้ตลอดพอเวลาที่ไม่สามารถควบคุมไม่สามารถ ทำให้เป็นไปตามความอยากของใจได้ใครคือผู้ทุกข์ผู้ทุกข์ก็คือใจนี้เพราะใจนี้โดยธรรมชาติทุกข์เพราะความอยากความทุกข์ใจนี้เกิดจากความอยากอยากให้ได้สิ่งนั้นสิ่งนี้มาเวลาไม่ได้ก็ทุกข์ใจขึ้นมาเวลาที่ยังไม่ได้เพียงแต่คิดอยากจะได้ใจก็ไม่ไม่สงบแล้ว ใจก็เริ่มเกิดความกวนกวายขึ้นมาแล้วเวลาไม่ได้ก็ทุกข์ใจเวลาได้มาก็มาทุกข์กับสิ่งที่ได้เพราะพอได้อะไรมาก็อยากจะให้อยู่ไปนานๆอีไม่อยากให้จากไปอีกแต่สิ่งใดก็ตามที่ได้มาแล้วมันก็เป็นอนิจจังทั้งนั้นเช่นอยากได้ลาบยศสารเสริญสุขกันพอได้มาแล้วก็มา ทุกกับราบยศสารเสริญสุขได้มาแล้วต้องพยายามรักษามั น, นสิหาวิธีป้องกันไม่ให้มันหมดถ้าป้องกันไม่เป็นใช้ไปใช้มาเดี๋ยวก็หมดนี้ข่าวมีคนถูกกัตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งพอได้เงินมาก็เอาไปใช้อย่างสนุกสนานเพลิดเพลินไปไม่นานเงินก็หมดพอเงินหมดแล้วทีนี้อยากจะ ให้มันไม่หมดอยากจะให้มันมาต่อมันไม่มาก็พอไม่มามันก็ทุกข์ทุกข์จนกระทั่งคิดฆ่าตัวตายพอไม่สามารถอยู่แบบไม่มีเงินทองได้เสียแล้วก่อนที่จะถูกลอตเตอรี่นี้อยู่ได้อะยากจนขนาดไหนก็พอทนได้อยู่ได้แต่พอได้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งได้เงินรางวัลมาทีนี้ก็หลงระเริงกับเงินที่ได้มา อยากจะได้อะไรอยากจะซื้ออะไรอยากจะกินอะไรอยากจะดื่มอะไรอยากจะทำอะไร<น>ก็ทำไปเกิดความสนุกเพลิดเพลินไปชั่วระยะเวลาหนึ่งเป็นเหมือนติดยาเสพติดดีๆนี่เองพอเงินหมดสิ่งที่เราต้องการจะซื้อมาเสพมันก็มาไม่มาเสียแล้วทีนี้ก็อยู่กับความอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวเดียวดายไม่ได้ก็เกิดความทุกข์เกิดความซึมเศร้าขึ้นมา แล้วในที่สุดก็เกิดความอยากจะฆ่าตัวตายขึ้นมานี่แหละคือความทุกข์ใจที่เกิดจากความอยากของใจทุกดวงถ้าอยากได้อะไรแล้วมันก็จะเริ่มทุกข์แล้วเริ่มทุกข์ตั้งแต่ตอนที่อยากได้เวลาอยากได้อะไรนี่มันจะไม่สงบแล้วมันจะอยู่เฉยๆไม่เป็นละอยู่ไม่ได้กวนกระวายกับสับกระสายกัน แล้วถ้าได้มาก็ดีใจเดียวเดียวแล้วก็มาห่วงกับเงินทองสิ่งที่ได้มาว่าจะอยู่กับเราได้ไปตลอดหรือไม่เนี่ยก็มาห่วงมาวิตกมากังวลแล้วในที่สุดมันก็ต้องมีการจากกันเขาไม่จากเราเราก็ต้องจากเขาพอเกิดการจากกันก็เกิดความทุกข์ใจเกิดความเศร้าใจขึ้นมาเนี่ยมันทุกอย่าง ความอยากของใจนี่มันนำพาไปสู่ความทุกข์ทุกตั้งแต่เริ่มต้นเลยพอเริ่มอยากก็ทุกข์แล้วพอได้มาก็ทุกข์เพราะต้องคอยกังวลคอยดูแลรักษาแล้วพอรักษาไม่ได้พอมันหมดไปมันจากไปก็ทุกข์อีกนี่คือทุกข์ที่อยู่ในใยรักแต่มันไม่ได้อยู่ในธาตุสี่ มันไม่ได้อยู่ในสิ่งที่เราไปอยากได้กันราบยศสรรเสริญสุขในตัวมันไม่มีทุกข์มันไม่มีสุขไม่มีสุขมันไม่มีอะไรมันเป็นมันเป็นวัตถุมันเป็นดินน้าลมไฟเงินก็เป็นก็เป็นวัตถุนี่เป็นกระดาษดีๆีนี่เพียงแต่เรามาเชื่อกันว่ามันสามารถที่จะเอาไปแลกเปลี่ยนสิ่งต่างๆที่เราอยากได้กันได้ มันมีประโยชน์ท่านั้นแต่ตัวมันเองมันเป็นเพียงแค่กระดาษมันไม่มีอะไรหรอกมันเป็นกระดาษแต่เราเอามาใช้คุณประโยชน์ให้เกิดคุณเกิดประโยชน์กับเราได้เอามาสร้างความสุขให้กับเราได้เราก็เลยไปไปยึดไปติดไปอยากให้มีมากๆแต่มันเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนมันจะหมดเมื่อไหร่ก็ไม่มีใครรู้ ถ้ามันไม่หมดตอนที่เราเ ป, เป็นเวลาเราตายเราก็ต้องหมดไปจากมันเวลาร่างกายตายไปใจที่อาศัยเงินนี้ก็ไม่สามารถเอาเงินไปกับกับใจได้ต่อไปใจก็ไปแบบขอทานใจแบบไปแบบหิวโหวยเพราะเมื่อก่อนนี้เวลาหิวโหวยก็มีเงินทองเป็นตัวดับความหิวโหวยให้ได้ชั่วครัง้งชั่วคราว แต่พอเวลาร่างกายตายไปความหิวโหยความอยากของใจก็ยังมีอยู่แต่ใจตอนนั้นไม่สามารถใช้เงินมาดับความหิวโหยได้แล้วนี่คืออนิจจังกับอนัตตานี้อยู่ในสิ่งต่างๆที่เราไปอยากได้กันเช่นราบยศสรรเสริญและความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผดถะพระชนิดต่างๆ มันอยู่ในสิ่งเหล่านี้คืออ น, นิจจังมันไม่เที่ยงอนัตตามันไม่อยู่ภายใต้การควบคุมบังคับของเราได้ตลอดเวลามันจะไม่เป็นของเราอยู่กับเราไปตลอดจะต้องมีวันใดวันหนึ่งที่มันจะต้องเสื่อมมันจะต้องหมดจากเราไปแม้แต่ร่างกายอันนี้ก็ เ, เช่นเดียวกันร่างกายที่เป็นเครื่องมือ ในการที่จะไปหาลาบยศสารเสริญสุขมาเสพมันก็เป็นของไม่เที่ยงเหมือนกันมันเกิดแล้วมันก็จเจริญเติบโตตอนที่มันยังจเจริญเติบโตอยู่มันก็เป็นทำหน้าที่รับใช้ความอยากของใจได้อย่างเต็มที่อยากจะได้อะไรก็ไปทำได้อยากจะทำอะไรก็ไปทำได้อยากจะได้อะไรก็ไปหามาได้แต่พอเริ่มเข้าสู่วัยชราเริ่มแก่ลง สมรรถภาพความสามารถในการตอบสนองความอยากของใจก็จะลดน้อยถอยลงไปแล้วเมื่อเข้าสู่เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยนี้ก็แทบจะทำอะไรตอบสนองความอยากของใจไม่ได้เลยพอไม่สามารถตอบสนองความอยากของใจได้ตอะ น, นั้นใจก็จะเกิดทุกข์ังขึ้นมาเพราะใจยังมีความอยากอยากที่จะหาสิ่งต่างๆผ่านทางร่างกายอยู่นั่นเอง นี่คือทุกขังทุกขังนี้อยู่ในใจของผู้ที่มาอยากได้วัตถุหรือธาตุทั้งสี่นี้สรรพสิ่งทั้งหลายหรือโลกธรรม ท, ทั้งสี่คือราบยศสารเสริญสุขนี่เป็นสิ่งที่เป็นอนิจจังเป็นอนัตตาส่วนทุกขังนี้ความทุกข์นี้อยู่ที่ใจของผู้ที่อยากจะไปเสพราบยศสารเสริญสุกร์กัน งั้นถ้าฟังอย่างนี้แล้วข้อสรุปก็คือง่ายๆถ้าไม่อยากจะมีความทุกข์ใจก็อย่าไปเสพอย่าไปเสพโลกกระทำทั้งสีน่นี่อย่าไปเสเพราบยศสารเสริญสุขกันอย่าไปหาความสุขอย่าจากราบยศสารเสริญ จ, จากโูกเสียงกลิ่นลดโภทภะกันเพราะว่ามันเป็นของไม่เที่ยงมันหมดได้พอเวลามันหมดมันก็กลายเป็นทุกข์ไป อนี้ก็คือง่ายๆนี่ถ้าเราเข้าใจกฎของตายรักแล้วนี้เราต้องถอยอย่าเข้าหาอย่าไปหาราบยศสารเสริญสุขอย่าไปมีร่างกายถ้าไม่มีร่างกายแล้วมันจะความแก่ความเจ็บความตายมันจะไม่มามันจะไม่ตามมาอย่างแน่นอนร้อยเปอร์เซตแต่ตราบใดาถ้ายังไปมีร่างกายใหม่อยู่นี่เดี๋ยวก็ต้องเจอความแก่ความเจ็บความตาย เหมือนกับที่เราเจอกันในปัจจุบันในชาตินี้พบนี้พบนี้ชาตินี้เราได้ร่างกายแล้วเส้นทางเดินของมันไปมันจะไปตรงไหนมันก็มุ่งไปสู่ความแก่มุ่งไปสู่ความเจ็บมุ่งไปสู่ความตายด้วยกันทุกคนไม่ว่าจะได้ราบยศสารเสริญสุขมามากน้อยเพียงายก็ตามมันก็ไม่สามารถมามาหยุดเส้นทางเดินของ ของความเป็นอนิจจังของมันไม่ได้ของของความเป็นอนิจจังอนัตตาของมันไม่ได้ต่อ mm. ให้ร่ำรวยขนาดไหนเป็นมหาเศษเรษฐีต่อให้ใหญ่โตขนาดไหน mm. ร่างกายมันก็เดินไปทางเดียวกันหมด mm. เดินไปสู่ความแก่ความเจ็บและความตายไปในที่สุด mm. นี่เกิดความรู้ที่เราควรจะศึกษาและทาความเข้าใจ mm. เพราะว่าถ้าเราเข้าใจแล้วเราจะได้ รูวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องอย่างพระพุทธเจ้าพระอรหนันต์นี้ท่านเข้าใจในกฎตายรัก์เป็นอย่างดีท่านถึงยุติการใช้ใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาราบยศสารเสริญสุขแล้วก็เปลี่ยนวิธีหาความสุขแบบแบบอีกแบบหนึ่งคือความสุขทางใจความสุขทางใจนี้เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่ง ที่เราสามารถที่จะมีความสุขได้โดยที่ไม่ต้องอาศัยลาบยศสรรเสริญอาศัยรูปเสียงกลิ่นรสผดพทพะชนิดต่างๆมาให้ความสุขกับเราได้ถ้าเราได้พบกับความสุขในรูปแบบใหม่ได้เราก็จะหยุดการหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผดพทพะได้เมื่อเราหยุดหาความสุขจากโลกธรรมทั้งสี่นี้ได้ เราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมีร่างกายต่อไปถ้าร่างกายนี้ตายไปก็จะเป็นร่างกายสุดท้ายของเราเพราะเราเห็นแล้วว่ามันเป็นทุกข์มันเป็นสิ่งที่จะทาให้เราทุกข์เพราะเราเห็นแล้วว่ามันเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาที่จะทำให้เราทุกข์ถ้าเราไปเอาใสยมันเป็นเครื่องมือในการหาความสุขพระพุทธเจ้าพระอาจารย์ทุกรูปท่านทำอย่างนี้ ท่านหยุดการหาความสุขจากโลกธรรม ท, ทั้งสี่หยุด้าลาบยศสารเสริญหยุดหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผดทพะที่ต้องใช้ร่างกายคือตาหูจมูกลิ้นกายนี้มามาเสกมาสัมผัสที่เป็นเครื่องมือที่จะส่งมาให้ใจเสกสัมผัสอีกทนีนึ่ท่านก็จะหาวิธีใหม่หาวิธีที่อยู่ได้โดยที่ไม่ต้องมีร่างกาย พอท่านทำสำเร็จใจของท่านก็ไม่ต้องมีร่างกายกต่อไปร่างกายที่มีก็เป็นร่างกายสุดท้ายชาติสุดท้ายพระพุทธเจ้าเนี่ยได้พบชาติสุดท้ายพระอนันตสาวกทั้งหลายท่านได้พบชาติสุดท้ายกันแต่สำหรับพวกเรานี้ยังไม่เจอพบสุดชาติสุดท้ายเพราะเรายัางต้องพึ่งพาสายร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขอยู่เรื่อย ถ้าร่างกายอันนี้เกิดตายไปเมื่อไรใจที่พึ่งพาอาศัยร่างกายนี้ก็จะไปรอรับร่างกายอันใหม่ไปเกิดใหม่เพราะยังมีความอยากไปเข้าคิวไปเข้าคิวรอรับร่างกายอันใหม่เหมือนคนที่อขอทานนี่พอได้รับของวันนี้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไปรอเข้าคิวไปรับของใหม่เพราะเขามีแจกของทุกวัน พวกที่เป็นขอทานก็ต้องไปรอรับของทุกวันเพราะตัวเองไม่มีของเลยต้องไปขอของจากคนอื่นแต่พระหลานกับพระพุทธเจ้านี้ท่านมีของท่านมีความสุขความอิ่มในตัวของท่านใจของท่านไม่หิวไม่โหยกับอะไรท่านก็เลยไม่ต้องไปรอรับคิวร่างกายอันใหม่เพื่อที่จะได้ใช้ร่างกายอันใหม่ไปเป็นเครื่องมือในการ หาความสุขจากโลกธรรม ท, ทั้งสี่คือหาความสุขจากราบยศสรรเสริญหาความสุขจากรูปเสียงกลกิ่นรสผลตภะนี่นี่คือการเข้าใจการเรียนรู้กฎของไตรลักษณ์ให้เรารู้อย่างนี้ให้เรารู้ว่าสิ่งใดมีการเกิดขึ้นสิ่งนั้นจะต้องมีการดับไปเป็นธรรมดาแล้วถ้าเราไปเพึ่งสิ่งที่มีการเกิดมีการดับ ผลที่จะตามมาก็คือต้องเจอเจอกับความทุกข์ไม่ช้าก็เร็วเวลามันดับนี่เวลามันหมดนี่มันไม่มีมันไม่สามารถให้ความสุขกับเราได้แล้วมันก็จะทำให้เราทุกข์กั น, นถ้าเราได้ศึกษาเข้าใจแล้วเราจะได้รู้ว่าการไปใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาราบยศสรเสริญสุขนี่ จะต้องไปเจอกับความทุกข์ไม่ช้าก็เร็วเพราะมันไม่เป็นสิ่งที่แน่นอนเสมอไปบางทีอยากได้ก็ไม่ได้ก็ทุกข์แล้วขณะที่ยังไม่ได้เพียงแต่อยากก็ไม่สบายใจแล้ววิตกกังวลห่วงใยแล้วมันมีแต่ความทุกข์ถ้าเราไปยุ่งกับสิ่งที่เป็นอนิจจังเป็นอนัตตาอย่าไปเอามัน ไปหาวิธีอื่นดีกว่าหาวิธีที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกท่านหากันก็คือหาความสุขทางใจความสุขทางใจก็มาเจอกับกฎของกฎแห่งกรรมอีกที่เราพูดถึงกฎแห่งกรรมว่าทำดีได้ดีทำบาปแล้วได้ได้ไ ด, ได้ได้ทุกข์ทำดีแล้วได้สุขทำบาปแล้วได้ทุกข์อันนี้คือกฎแห่งกรรม กอแห่กรรมนี้มันมาเกี่ยวกับจิตใจเพียงอย่างเดียวนะมันไม่เกี่ยวกับเรื่องลาบยศสารเสริญสุขแต่อย่างใดมันอาจจะมีผลพลอยได้เช่นบางทีทําความดีแล้วก็อาจจะเจริญก้าวหน้าในลาบยศสารเสรนสุขก็ได้แต่บางคนทําความดีแล้วก็ไม่เจริญก็มีเหมือนกันเหมือนกับมีคนบ่นอยู่เรื่อยๆว่าทําดีแทาเป็นแทบตายกับ ไม่ได้ดิบไม่ได้ดีเลยคนที่ไม่ได้ทำดีกับได้ดิบได้ดีมีถมไปก็มีเพราะว่าการได้มาซึ่งราบยศเสริญสุขนี้ไม่ได้เกิดจากการทำความดีเพียงอย่างเดียวการทำความชั่วก็สามารถทำให้ได้ดิบได้ดีได้คนช่อกงช่อกงโดยที่ไม่มีใครรู้ว่าช่อกงก็ล่ำรวยเป็นใหญ่เป็นโตขึ้นมาได้ คนที่ทําความดีแต่ไม่มีใครรู้ว่าทําความดีก็อาจจะไม่มีใครให้รางวีรางวัลไม่มีการสนับสนุนก็ได้ดังนั้นขอให้เราเข้าใจถึงกฎแห่งกรรมว่าไม่เกี่ยวกับเรื่องของของลาบยศเสริญสุขเรื่องของราบยศเสริญสุขนี้มันอยู่ภายใต้กฎของอนิจจังอนัตตามันจะเจริญก็ถ้ามีเหตุให้มันเจริญมันก็เจริญไม่ว่าเหตุนั้นจะเป็นดีหรือชั่วก็ตาม ทำชั่วโกหกหลอกวงก็รวยได้ไม่ใช่ไม่จำเป็นว่าจะต้องทำดีอย่างเดียวถึงจะร่ำรวยทำาชั่วก็ร่ำรวยได้ถ้ามันมันเป็นเหตุที่จะทำให้ร่ำรวยมันก็ร่ำรวยได้คนสพาพอก็ได้ดิบได้ดีก็มีคนซื่อตรงก็ถูกโยกย้ายไปอยู่ที่ไกลๆ ก, ก็มีอันนี้เป็นเรื่องของเหตุปัจจัยที่เป็นอนิจจงอนัตตา มันเป็นถ้าเราจะดูเรื่องราบยศเสรญสุขขอให้เราดูที่ไตรลักษณ์อันนี้จังอนัตตาและเหตุที่ทำให้มันเจริญหรือเสือ่อมซึ่งมันก็มีทั้งดีทั้งชั่วปนกันไปคนทำดีได้เด็บได้ดีก็มีคนทาชั่วแล้วได้เด็บได้ดีก็มีเราต้องเข้าใจถ้าเราจะมองผลคือราบยศเสรญสุขเราอย่าไปดูที่กฎแห่งกรรมมันไม่เกี่ยวกัน บทแห่งกรรมนี้มันจะมาเกี่ยวกับเรื่องการเจริญด้วยการเสริมของจิตใจเพียงอย่างเดียวถ้าเราทำบุญทำประโยชน์ทำคุณทำประโยชน์ทำความดีต่างๆมันก็จะยกระดับจิตใจของเราให้สูงขึ้นไปเรื่อยๆจิตใจเรานี้มีระดับที่ขึ้นลงได้เหมือนกับการศึกษาเรื่มเรียน มีชั้นสูงชั้นต่ำจิตใจก็มีหลายชั้นด้วยกันระดับที่เราเป็นอยู่นี้เราเรียกว่าระดับของมนุษย์ระดับมนุษย์นี่ถือว่าอยู่ระดับกลางๆไม่สูงและก็ไม่ต่ำเพราะมีระดับที่ต่กว่ามนุษย์อยู่สี่ขั้นด้วยกันะระดับที่สูงกว่ามนุษย์ก็มีอยู่อีกสี่ขั้นใหญ่ๆเหมือนกัน ส า, าสามสี่ขั้นสามสี่ขั้นใหญ่ๆเหมือนกันและเนี่ยการขึ้นลงของจิตใจเนี่ยขึ้นอยู่ที่กฎแห่งกรรมที่ท่านบอกว่าทำดีได้ดีเนี่ยถ้าทำบุญก็จะได้ขึ้นได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งทางด้านจิตใจจิตใจก็เป็นเหมือนกับตำรวจนทหารมียศเหมือนกันยศของจิตใจนี่เกิดจากการทำดีแล้วก็มีมีโทษเหมือนกัน มีโทษคือมีที่กักขัง ม, มีคุก ม, มีตารางสาหรับผู้ที่ทาทาความชั่วต่างๆจิตใจนี่คือกฎแห่งกรรมที่ท่านบอกว่าทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วนี้ก็คือจิตใจนะไม่ใช่ร่างกายไม่ใช่ราบยศสรรเสริญสุขราบยศสารเสริญสุขนี้มันขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยแล้วก็ขึ้นอยู่กับกฎของอนิจจ์ของอนัตตา ที่มีเจริญมันก็เสื่อมได้ต่อให้เจริญในขนาดไหน<ม>เดี๋ยวในที่สุดมันก็ต้องจบมันก็ต้องเสื่อมร่างกายพอมันเกิดมาแล้วเดี๋ยวในที่สุดมันก็ต้องตายพอมันตายแล้วลาบยศสรรเสริญสุขที่หามาได้กองเท่าภูเขาก็หมดไปกลายเป็นของคนอื่นไปเหมันคนละเรื่องกันมันมีกฎสองกฎด้วยกันสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีอยู่สองส่วนส่วนที่เกี่ยวข้องกับรู ป, ปรธรรมคือาธาต ธาตุสี่คือดินน้ำลมไฟเช่นราบยศสารนสนุขมนุษย์ร่างกายของมนุษย์ร่างกายของเดรฉ า, านร่างกายของต้นไม้อะไรต่างๆนี่มันอยู่ภายใต้กฎของไตรลักษณ์ส่วนกฎของกฎแห่งกรรมนี่มันดูแลเรื่องจิตใจเพียงอย่างเดียวมันจะให้คุณให้โทษกับจิตใจของผู้ที่กระทำบุญหรือกระทาบาปกัน ตอนนี้สมมติตอนนี้เราเป็นมนุษย์กันสมมตนนิว่าใจเราเป็นมนุษย์กันตอนนี้ซึ่งอาจจะไม่ได้เป็นแล้วก็ได้เพราะเราเกิดมาหลายสิบปีกันแล้วแล้วเราก็อาจจะไปทำบุญทำบาปกันมาบ้างอยู่แล้วแล้วบุญบาปที่เราทำนี่แหละจะเป็นตัวที่จะตัดสินว่าตอนนี้เราอยู่ในระดับไหนถ้าตั้งแต่เกิดมาจนถึงปัจจุบันนี้ถ้าเราทาบาปมากกว่าทาบุญนี่เราจะถูก ลงโทษจะถูกไปจับขังคุกคุกของใจที่อยู่ต่ำกว่ามนุษย์ก็มีอยู่สี่คุกด้วยกันเรียกว่าบายสี่คือใจก็จะกลายเป็นหนึ่งสัตว์เดรัจฉานสองเป็นเปรตสามเป็นอสุรกายสี่เป็นนรกขึ้นมาถ้าตั้งแต่เราเกิดมาจนถึงวันนี้เราได้ทำบาปมากกว่าทำบุญ บาปมันก็จะมีกำลังส่งให้ใจไปรับโทษก่อนบุญที่ทำไว้ยังไม่หมดไม่สูญหายแต่ยังไม่มีเวลาที่จะได้รับประโยชน์ยังแสดงผลไม่ได้เพราะว่าบาปมันมีกำลังมากกว่าบุญบาปก็จะส่งผลก่อนถ้าเกิดสมมติวันนี้เราตายไปในขณะนี้แล้วผลบุญผลบาปของเราเรามีบาปมากกว่าบุญ มันก็จะทําให้เหล่านี้ต้องไปเกิดไปเป็นดวงวิญญาณมันก็จะไปเป็นเดรัจฉานบ้างถ้าเป็นเดรัจฉานก็จะได้ไปได้ร่างกายของสัตว์เดรัจฉานถ้าเป็นเปรตก็ไม่มีร่างกายเป็นกายทิพย์กายทิพย์ที่หิวโหวยก็เรียกว่าเปรต <c oughs> กายทิพย์ที่มีแต่ความหวาดกลัวก็เรียกว่าอสูรกาย <c oughs> กายทิพย์ที่มีแต่ความหิวโหวยมีแต่ความอาฆาตพยาบาท <c oughs> เกียดแค้นก็จะเป็นนรกขึ้นมาอันนี้แหละเป็นขั้นชั้นต่างๆของใจที่ได้เป็นผลที่เกิดจากการทำบาสมากกว่าทำบุญส่วนในทางตรงกันข้ามถ้าเราตั้งแต่เกิดมาจนถึงปัจจุบันนี้เราได้ทำบุญไว้มากกว่าทำบาปใจของพวกเราก็จะสูงขึ้นจากจากมนุษย์จากมนุษย์ ก็จะขึ้นไปเป็นเทวดาเทวดาก็มีแบ่งชั้นไว้ทั้งหชั้นด้วยกันแล้วจากชั้นเทวดาถ้าทำบุญมากเพิ่มขึ้นไปอีกก็ไปสู่ชั้นพรหมซึ่งมีแยกอยู่สองชั้นใหญ่ๆก็ชั้นรูปประพรมกับชั้นอรูปประพรมแล้วเหนือจากชั้นพรหมก็ยังมีชั้นพระอริยเจ้าอีกสี่ชั้นด้วยกันชั้นพระโสดาบัน พระสกิทาคามีพระอน า, าคามีพระอาหารหันต์จนถึงพอถึงขั้นพระนิพพานขั้นถึงพระอาหารหันต์ก็ได้ขั้นพระนิพพานไปเป็นขั้นสูงสุดเป็นขั้นที่ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปเพราใจนี้มีความสุขเต็มเปี่ยมอยู่ภายในหัวใจมีความอิ่มมีความพอตลอดเวลาไม่มีความอยากที่จะหาความสุขจาก สิ่งที่มีอยู่ในตายภพนี้ไม่ว่าจะเป็นราบยศสารเสริญสุขก็ตามไม่ว่าจะเป็นความสุขของเทวดาความสุขของพรหมก็ไม่มีความอยากติดต่อไปใจก็จะไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดใจก็จะหลุดพ้นจากกฎแห่งกรรมทั้งน่ากฎของตายรักกฎแห่งกรรมก็คือไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไม่มีการเจริญไม่มีการเสือ่อม ไม่มีการกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อมาทำบุญทำบาปอีกต่อไปและเมื่อไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ไม่อยู่ภายใต้กฎของตายรักก็คือไม่มีวันแก่ไม่มีวันเจ็บไม่มีวันตายต่อไปนี่คือส่วนของจิตใจซึ่งเป็นครึ่งหนึ่งของของชีวิตของพวกเราชีวิตของพวกเรามีสองส่วนด้วยกันมีจิตใจแล้วก็มีร่างกาย ร่างกายก็อยู่ภายใต้กฎของตายลักสิ่งต่างๆที่เราหาผ่านทางร่างกายได้ทั้งหมดก็อยู่ภายใต้กฎของตายลักมีเกิดแล้วก็ต้องมีดับในที่สุดเมื่อร่างกายดับสิ่งทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างที่เราหากันมาได้ถ้าเป็นแทบตายก็หมดจากความสามารถของเราที่จะครอบครองมันได้ต่อไปมันเป็นอนัตตามันก็กลายเป็นของคนอื่นไป คนนึ่งก็ครอบครองได้เดียวเดียวเดี๋ยวมันก็หมดไปไม่มีใครสามารถครอบครองสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกของตายรักได้ตลอดเพราะว่าทุกอย่างมันไม่เที่ยงส่วนใจนี้มันไม่ตาย <c oughs> มันถาวรแต่มันก็ยังขึ้นๆล ง, ลงๆอยู่ท่านยังมีการทำบุญมีการทำบาปอยู่อยู่เรื่อยๆงนั้นวิธีการที่เราจะเอาชนะกฎแห่งกรรมก็คือ เราจะต้องหยุดการกระทําทั้งบุญทั้งบาปให้ได้หยุดหยุดการกระทําความอยากต่างๆให้ได้เพราะการกระทําตามความอยากนี่แหละจะเป็นตัวที่จะพาให้เรากลับมาเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่เรื่อยๆกลับมามีร่างกายกลับมาอยู่ภายใต้กฎของใจรักษงกลับมาอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมและวิธีที่จะพาให้เราได้ไปสู่พระนิพพานให้ดวงใจของเรานี้ไปสู่พระนิพพาน ไม่ต้องกลับมาอยู่ภายใต้กฎของกฎแห่งกรรมและกฎของตายรักได้ก็ต้องปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆพระ อ, องค์นี่แม้ว่าพระพุทธเจ้ากี่พระ อ, องค์มาตัดสู้ก็จะรู้เรื่องเดียวกันเนี่ยรู้เรื่องสองเรื่องเนี่ยรู้เรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งสองสิ่งนี้คือรู้เรื่องของกฎแห่งกรรมรู้เรื่องของกฎแห่งของตายรักและวิธีที่จะหลุดออกจาก อำนาจของกฎแห่งกรรมอำนาจของกฎของตายรักได้ก็คือต้องกระทำสามอย่างด้วยกันพระพุทธเจ้าจึงสอนสามอย่างเหมือนกันหมดไม่ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าที่มาตรัสรู้ในอดีตตาชาติไม่ว่าจะเป็นกี่องค์ที่ผ่านมาก็ตามไม่ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าที่จะมาปรากฏในอนาคตอีกกี่องค์ก็ตามจะพบความจริงเหมือนกันและจะสอนวิธีที่จะทาให้เรานี้ ให้หลุดออกจากกฎทั้งสองนี้เหมือนกันทุกพระองค์คาสอนของพระเจ้าเหมือนกันทุกทุกพระองค์มีอยู่สามหัวข้อใหญ่ๆด้วยกันคือหนึ่งให้ละการกระทาบาปทั้งปวงสองให้เราสร้างบุญสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมสามให้เรากําจัดโดยชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์โดยการกําจัด กิเลสตัณหาตัวที่สร้างความเศร้าหมองตัวที่พาให้เราต้องไปเวียนว่ายตายเกิดกันเนี่ยมีสามํสามสอนนี้เท่านั้นเองง่ายๆถ้าเรากระทําตามได้สามคำสอนนี้เราก็จะไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปไม่ต้องมาเกิดมาแก่มาเจ็บไม่ตายแล้วไม่ต้องมาเกิดในภพน้อยภพใหญ่ เพราะเราจะไม่มีการมาทำบุญทำบาปอีกต่อไปเราก็จะอยู่ที่นิพพานไปตลอดไปอยู่กับพระพุทธเจ้ากับพระอรหันตสาวกไม่ได้สูญหายไปไหนการไม่ได้มาเกิดนี้ไม่ได้หมายความว่าเราสูญหายไปเราก็อยู่ที่ปลอดภัยเท่านั้นเองโลกที่เรามาเกิดการนี้มันเป็นเหมือนบ้านที่กําลังไฟไหมคนที่ฉลาดเขาไม่อยู่ในบ้านที่กาลังไฟไหมหรอก คนที่ชลาดเขาก็ออกจากพอไฟไหม้บ้านทำไงก็รีบออกจากบ้านกันนั่นหนีไฟกันไปอยู่ที่ปลอดภัยนะพระนิพพานก็คือที่ปลอดภัยของจิตใจที่ไม่มีความทุกข์ต่างๆถ้ายังมาอยู่ในตายพบซึ่งเป็นเหมือนบ้านที่ไฟไหม้อยู่มันก็ยังจะเจอความทุกข์อยู่ไม่ว่าจะมาเกิดในการมาพบก็ทุกเกิดในรูปะพบก็ทุก กิดในอรูปภพก็ทุกข์ <c oughs> แต่ถ้าไปออกจากไตรภพไปได้เอาจากสังสารวัฏไปได้ก็เข้าศูนย์ก็ไปอยู่ในนิพพานที่ไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดที่ไม่มีความทุกข์ก็เหมือนกับคนที่เวลาไฟไหม้บ้านแล้วก็หนีออกจากบ้านไปเท่านั้นเองพอออกไปนอกบ้านไปที่ที่ไม่มีไฟไหม้ก็ปลอดภัยจากการถูกไฟเผาทำนั้นเองนิพพานก็คือ ใจที่ได้ออกจากบ้านที่กํลังที่ที่กลังไหมอยู่เท่านันเองเมื่อไม่ได้อยู่ในบ้านที่กําลังไหมใจก็ไม่ถูกไฟเผาใจก็ไม่มีความทุกข์ใจก็จะมีแต่ความเย็นมีแต่ความสบายนี่คือเป้าหมายที่พระเจ้าทรงสอนให้พวกเราไปกันให้ได้ขั้นแรกก็เราต้องปิดประตูอาบายให้ได้ก่อนเราอย่าลงไปที่ต่ำเราต้องการขึ้นที่สูง เมือเวลาเราเข้าลิฟต์นึ่เวลาเราจะขึ้นชั้นสูงเราไม่ไปกดเลขที่มันต่ำกว่าที่เราอยู่เอ้เราอยู่ชั้นสี่เราอยากจะขึ้นไปชั้นสิบเราต้องกดเลขเบอร์สิบอย่าไปกดเบอร์หนึ่งถ้าไปกดเบอร์หนึ่งมันก็จะหนึ่งให้เราลงลงไปข้างล่างการทำบาปนี้เป็นเหมือนกับการกดเลขที่ต่ำกว่าพบของมนุษย์พบมนุษย์นี้อาจจะอยู่ชั้นห้าเบอร์ห้าเดรฉาอยู่ชั้นสี่ เปรอยู่ชั้นสาอสุรกายอยู่ชั้นสองนรกอยู่ชั้นชั้นที่หนึ่งเราอย่าไปกดเลขที่มันต่ากว่าห้ากดเลขที่มันสูงกว่าห้ า, างั้นการไม่ไปกดก็คืออย่าไปทำบาปห้าข้อคืออย่าไปฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดประเพณีพูดปดและเสพอบายามุกต่างๆเช่นซุรายาเมาเล่นการพนันเที่ยวกลางคืนคบคน ชอบอบายามุขเป็นนิดและมีความเกียจค้านนี่คือการกระทาที่จะดึงจิตของเราให้ลงต่ำให้ลงไปสู่อบายแต่ถ้าเราไม่ทำบาปได้ไม่ทาไม่เสบอบายามุขได้เราก็จะไม่ดึงจิตของเราให้ลงต่ำตพอเราไม่ดึงมันล้ทีนี้เราก็ต้องกดเลขให้มันขึ้นสูงไปจากชั้นห้าเรา ก, กดไปที่ชั้นหกชั้นเจ็ดชั้นแปดชั้นเก้าขึ้นไปจนถึงชั้นสูงสุด วิธีแยขึ้นถึงชั้นสูงสุดได้ก็คือกับปฏิบัติข้อที่สองก่อนข้อที่สองเขบอกให้ทําบุญทํากุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมก็วิธีทําบุญต่างๆเนีเช่นทําบุญทําทานด้วยกําลังทรัพย์ของเราก็ได้กําลังกายของเราก็ได้ไม่จําเป็นว่าจะต้องทําบุญด้วยเงินทองอย่างเดียวไม่มีเงินทองก็ทําความดีได้ช่วยเหลือคนอื่นได้ช่วยเหลือคนที่เขาทุกข์เดือดร้อนด้วยการเป็นอาสาสมัคร ต่างๆทํ า, าทอะไรเพื่อไม่รับผลประโยชน์อันนี้ก็เรียกว่าเป็นบุญเป็นกุศลทําได้ทุกรูปแบบไม่จําเป็นว่าจะต้องมาทํากับวัดเพียงอย่างเดียวถึงจะได้บุญแตบุญกุศลนี้เกิดจากการกระทําที่เสียสละแบ่งปันของเราให้กับผู้อื่นทำกับวัดก็ได้ทํากับโรงพยาบาลก็ได้ทํากับโรงเรียนก็ได้ทํากับสถานสงเคราะห์ต่างๆก็ได้ทํากับคนยากจนคนที่มีภัยพิบัติต่างๆ ก็ได้เช่นเวลามีน้ำมีน้าท่วมมีไฟไหม้มีเหตุการณ์อะไรต่างๆที่ต้องการความช่วยเหลือถ้าเราสามารถไปช่วยเหลือในรูปแบบใดที่เราสามารถทำได้เราไปอันนี้เรียกว่าเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลต่างๆให้ถึงพร้อมพอเราทำประโยชน์อย่างนี้เราก็จะขึ้นสู่ชั้นสูงกว่ามนุษย์ขึ้นไปการทำบุญทำทานนี้จะส่งให้เราขึ้นไปสู่สวรรค์ชั้นเทพ แล้วถ้าอยากจะไปสูงกว่าสวรรค์ชั้นเทพเราก็ต้องไปปฏิบัติธรรมกันแล้วต้องไปถือศีลแปดไปบวชกันแล้วก็ไปปฏิบัติสติเจริญสตินั่งสมาธิเพื่อทําใจให้สงบให้เข้าฌานให้ได้ถ้าเข้ารูปฌานได้เราก็เข้าสู่สวรรค์ชั้นรูปประรมได้ถ้าเข้าสู่อรูปฌานได้เราก็เข้าสู่สวรรค์ชั้นอรูปอรูปประรมได้ นี่ก็เป็นสวรรค์ที่สูงกว่าสวรรค์ชั้นเทพมีความสุขมากกว่าแล้วถ้าอยากจะไปสูงกว่านั้นอีกก็ต้องไปสันชั้นของพระอริยเจ้าการจะเข้าสู่ชั้นอริยเจ้าได้ก็ต้องนี่แหละก็ต้องไปเจริญปัญญาไปเข้าไปศึกษาเรื่องกฎของตายรักณนี่ให้เข้าใจว่าสิ่งต่างๆที่เป็นกฎของตายรักณที่อยู่ภายใต้กฎของตายรักณนี้อย่าไปยุ่งกับมันพอไปยุ่งกับมันแล้วมันจะ ทำให้เราติดอยู่ในในในสิ่งที่เราอยากได้กันถ้าไปติดกามติดรูปเสียงกลิ่นรสก็จะทําให้เรามาเกิดในภพของมนุษย์ของเทวดาถ้าไปติดรูปประชานอรูปประชานมันก็จะพาใเราไปติดในภพของรูปประพรมรูปประรมถ้าเราอยากจะขึ้นไปสูงกว่าเราก็ต้องตัดการที่เราจะไปหาความสุขจากกามก็ดีจากรูปประรมรูปประชานก็ดีอรูปประชานก็ดี พอเราเห็นว่ามันเป็นไตรลักษณ์มันไม่เที่ยงถึงแม้ว่าจะเป็นความสุขมันแต่มันก็เป็นความสุขชั่วคราวเป็นเทพแล้วเดี๋ยวพอพอบุญที่ทําให้เราเป็นเทพหมดไปมันก็ทําให้เรากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ถ้าเราเป็นพรหมบุญที่ทําให้เราเป็นพรมพอมันหมดไปมันก็ทําให้เรากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เหมือนกันถ้าเราไม่ต้องการจะกลับเป็นมนุษย์เราต้องตัดมันให้หมดอย่าไปอยากกับอะไรทั้งสิ้นอย่าไปอยากกับ ตามรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆอย่าไปอยากกับรูปประชานอารูปประชานอยู่กับความว่างอยู่ ก, กับการไม่มีอะไรอยู่กับการไม่มีความอยากพอตัดความอยากให้หมดไปจากใจได้ใจก็กลายเป็นนิพพานขึ้นมาทันทีใจก็เข้าสู่ชั้นชั้นดัช น, นิพานก็คือออกจากตายภพได้เพราะไม่ติดกับตายภพแล้ว ไม่ติดกับกามาพบไม่ติดกับรูปมาพบไม่ติดกับอรูปมาพบก็จะเข้าสู่พานิพานอพอเข้านิพานแล้วก็ไม่มีการที่จะกลับมาเกิดอีกต่อไปหลายในขณะที่ยังมีร่างกายอยู่ยังไม่ตายเช่นร่างกายของพระพุทธเจ้าร่างกายของพอระอรหันต์ใจของท่านเข้านิพานแล้วก็ตามแต่ร่างกายมันยังเด็ดอยู่มันยังต้องนับ มันต้องยังต้องอยู่ภายใต้กฎของตายลักต่อไปมันก็ยังต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายร่างกายของพระพุทธเจ้าพระหลังสาวกทั้งหลายเนี่ยท่านก็ต้องแก่ต้องเจ็บแล้ต้องตายเหมือนกับร่างกายของพวกเราทุกคนมันไม่ต่างกันเพียงแต่ว่าใจของท่านนี้ไม่ทุกข์กับมันแล้วใจของท่านนี้ออกจากออกจากโลกของความทุกข์เพราะท่านรู้ว่าเหตุของความทุกข์ก็คือความอยาก ความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายจะไม่มีอยู่ในใจของพระอริยบุคคลพาาาระอรหันต์ทั้งหลายเพราะท่านรู้กฎของตายรักว่าอยากไม่ได้อยากแล้วมันจะทุกข์ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อยากไปอยากมันแต่ร่างกายของท่านก็ยังต้องรับผลของกฎของตายรักอยู่แต่พอร่างกายนี้ตายไปแล้วเผาไปกลายเป็นพระธาตุไปแล้วทีนี้ก็หมดแล้วท่านก็จะไม่มีความทุกข์อะไรกับพบของ ของสังสารวัฏอีกต่อไปเพราะท่านไม่มีอะไรที่จะเกี่ยวโยงเกี่ยวข้องกับภพบทั้งสามอีกต่อไปท่านอยู่ในพ า, านิพานออกจากบ้านที่กำลังที่ไฟไหม้ไฟที่ไหม้บ้านไม่สามารถไปไหม้คนที่อยู่นอกบ้านได้แต่ใดใจที่เป็นนิพานนี้ออกจากไฟของตายภพแล้วออกจากไฟของการเวียนว่ายตายเกิดแล้ว ดังความทุกข์ของการเวียนว่ายตายเกยิดก็จะไม่ปรากฏขึ้นในใจของผู้ที่ไปถึงพระนิพพานนี่คือหลักของคําสอนของพระพุทธเจ้าที่นํามาสอนพวกเราให้เราเข้าใจถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่แท้จริงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สามารถให้คุณให้โทษดลบันดาลให้เราดีให้เราชั่วให้เราสุขให้เราทุกได้นั้นอยู่ที่กฎทั้งสองนี้คือกฎแห่งกรรมและกฎของตายรักทั้งนั้นเอง ถ้าเราอยากจะได้สุขได้เจริญได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงไม่ต้องมาทุกข์กับสิ่งต่างๆที่เราทุกข์กันอยู่ในปัจจุบันนี้ก็ขอให้เราศึกษากฎทั้งสองกฎนี้ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้แล้วนําไปปฏิบัติตามที่พระเจ้าทรงสอนให้ปฏิบัติคือให้ละการกระทําบาปให้สร้างบุญสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมให้ชําระใจให้สะอาดบริสุทธิ์กําจัดกิเลสตัณหา ผู้ที่สร้างความเศร้าหมองผู้ที่พาให้เราต้องมาเวียนว่ายตายเกิดยังไม่มีวันจบวันซึ้นถ้าเรากระทาได้เราก็จะได้ไปพบกับพระพุทธเจ้าและพระอนันตสาวกต่อไปอย่างแน่นอนการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยะถาวาเรวะหาปูรปาปริกุเรนติสาคลัง เอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปการปติอิชิตังปฏิตังตุหังคิดว่าเมวะสมิจฉตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยธามณิโชติระโสยธาสัพพิติโยวิวาจจันตุสัพพโรโควินัสตุ มาเตผวะตะวันตารายุสุขีทีขายุโกผวะอะพิวาธนสีลิตสะนิจังวุธาปจายิโนจตารุธมรมวัฏฐานเตอายุวันโอสุขังพาลางช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคำถาม ใครมีคำถามอะไรอยากจะถามขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เพราะเป็นช่วงที่สะดวกที่สุดเพราะหลังจากที่เราเลิกแล้วจะไม่สะดวกที่จะตอบคำถามอีกใครอยากจะถามอะไรเข้ามาถามเองก็ได้เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้หรือกดมือถือเข้ามาทางเพจก็ได้แล้วจะมีทีมงานนำมามาอ่านให้ฟังวันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่ วันนี้มีผู้รับฟังทาง Facebook 4 4 2ท่านครับ y o u t u พระอาจารย์2 4 4ท่านครับ YouTube Dr. เ90ท่านครับวิทยุออนไลน์12ท่านครับคลับเ o าส e 11ท่านครับนากุติ1 4 3ท่านครับรวมทั้งหมด9 4 2ท่านครับพระอาจารย์ามีคำถามก็อ่านได้เลย คำถามจากทางเฟซบุ๊กนะคะชื่อคุณสิทธิพงค์ค่ะสอบถามพระอาจารย์ครับแม่ผมเขาถือศีลห้าแล้วก็นั่งสมาธิสวดมนต์ทุกวันวันละ5 1 0ถึงนาทีแต่ไม่ได้เดินปัญญาเพิ่มถ้าถือศีลห้ากับนั่งนั่งสมาธิทำแบบนี้ไปเรื่อยๆแม่ผมจะสามารถเข้าสู่กระแสของโสดาดานได้ไหมครับต้องทำให้มากขึ้นต้องทำให้ได้เต็มร้อย ตอนนี้ทาได้แค่สิบเอร์ซ็น์่ันก็ต้องเพิ่มให้มันเป็นร้อยเปอร์ซนแล้วมันถึงจะเข้าสู่กระแสได้จากคุณแบมแบมทาง YouTube ค่ะมีสองข้อค่ะข้อแรกคานิกาสมาธิคือชั้นสี่แต่แป๊ดเดียวใช่หรือไม่เช้าคะใช่ใชเหมือนเชือกชั่วขนาดหนึ่งแบบงูแลบลิ้นข้อที่สองค่ะ เคยเห็นอสุภสัสแต่แค่แวบเดียวใจก็สงบลงคือนิน่ดหรือเปล่าคะเราต้องทำอย่างไรต่อไปคะต้องพยายามเอามาพิจารณาอยู่เรื่อยๆให้มันอยู่ในให้มันปรากฏอยู่ตลอดเวลาในใจของเราเวลาที่จะต้องการที่จะใช้มันดับกิเลสก็จะได้เอามาใช้ได้ทันที <c oughs> คำถามจากท่านถัดไปค่ะความฟุ้งซ่านกับสังขารอันเดียวกันไหมครับ คือสังขารนี่มันทำให้ฟุ้งซ่านก็ได้ทำให้สงบก็ได้แล้วนะแต่ว่าจะคิดปรุงแต่งไปทางไหนคิดปรุงแต่งไปทางกิเลสก็ฟุ้งซ่านคิดปรุงแต่งไปทางธรรมก็ทำให้ใจสงบได้คำถามฝากถามจากทาง You Tube ค่ะโสดาบันหมดตัวตนสมบูรณ์หรือยังครับหรือเบาๆจางๆเมื่อหมดตัวตนแล้วความรู้ตัวไปอยู่ที่ใดครับ ตตตตัััววนนนนใใร่่าางงกยยยหมมดไปแนในใจีอูคำถามจากคุณนาคาพยากรค่ะกับนมมส ก, การเรียนถามพระอาจารย์ผมมีข้อสงสัยในธรรมะอยากเปลี่ยนถามพระสมัยครั้งพุทธกาลแค่ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าก็บรรู้ธรรมแต่มาสมัยนี้ฟังธรรมของครูบาอาจารย์หลายองค์ก็ยังไม่บรรลุธรรมเป็นเพราะอะไรครับ เพราะผู้ฟังยังไม่มีภาชนะรองรับาการจะฟังธรรมบรรลุธรรมได้นี่ต้องมีศีลที่บริสุทธิ์แล้วก็มีสมาธิระดับฌานเข้าไปมีเบกคขาถ้ามีทั้งสองอย่างนี้แล้ว <c oughs> เวลาฟังธรรมก็บรรลุธรรมได้เหมือนกับเวลาที่จะไปรับอาหารถ้าไม่มีจานไปรับก็ไม่รู้จะเอาอาหารใส่ใส่กับมือมันก็ร้อนรับไม่ได้ ยังต้องหาจา์ไปรับธรรมะของพระเจ้าคือปัญญาทาขั้นปัญญานี้ต้องมีสมาธิมีอุเบกขาเป็นเครื่องรองรับและสมาธิอุเบกขาก็ต้องมีศีลเป็นเครื่องรองรับอีกทีแล้วศีลก็ต้องมีทานเป็นเครื่องรองรับอีกทีด้วยยังต้องต้องทำทานให้ครบร้อยรักษาศีลให้ครบร้อยทำสมาธิให้ได้เต็มร้อยแล้วตอนนั้น่ะพอพิจารณารม พิจารณาไตรักพิจารณาอริยาาสัจสีก็จะปล่อยวางได้มรูดธรรมได้คำถามจากคุณจุธาทิพย์ทางเ c e b o o k เจ้าค่ะมีสองข้อค่ะข้อที่หนึ่งจะมีวันที่จิตทุกดวงถึงซึ่งพระนิพพานทั้งหมดทุกดวงเลยไ้มเจ้าค่ะอย่าไปคิดได้เสียเวลาเลยมันมีกี่ดวงไม่รู้ขนาดดวงเราดวงเดียวให้มันพอก่อนเลย อย่าไม่ต้องกังวลกันดวงอื่นเลยดวงล้วเวลาเมื่อไจะถึงนี่ผ่านนาทีเอาแค่นี้ก่อนข้อสองค่ะพระโสดาบันยังมีความรักโลค ก, กฎหลงอยู่หรือไม่คะพระอาจารย์ก็มีในระดับที่ยังรักไม่ได้เช่นยังรักยังรักแฟนยังรักคนที่เราเห็นแล้วชอบอย่างอดที่จะรักเขาไม่ได้เพราะยังไปเห็นว่าเขาสวยงามแต่ถ้าพิจารณาสุภาตต่อไปก็ไม่รักร่างกาย แล้วว่าจะเป็นร่างกายของใครก็ตามแต่ก็ยังไปลักในเรื่องของอารมณ์ต่างๆอันนี้ก็ต้องละไปเป็นขั้นๆนคำถามจากคุณปลางค่ะหนูขอความเมตตาพระอาจารย์โปรดอธิบายการปฏิบัติและพิจารณาร่างกายเช่นผมหนัง เมื่อต้องแต่งทรงผมดูแลผิวหน้าในขณะที่ยังทำงานหรืออยู่ในสังคมตามหน้าที่การทำผมหรือดูแลผิวหนังให้เรียบร้อยหรือให้พอเหมาะกับมารยาททางสังคมโดยเราคิดว่าโดยเราคิดไปพร้อมๆกันว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเปลือกมายาไม่ช้าเราก็ต้องพบกับความเป็นจริงการฝึกนึกถึงนี้จะทำให้เราไม่หลงเข้ากิเลสมากกว่านี้เช่นนี้หนูทาถูกต้องไหมเจ้าคะ คือถ้าเรายังต้องเข้าสังคมอยู่เราก็ต้องเป็นเหมือนตัวละครเนี่ยเวลาเขาจะให้เราออกเวทีนี้ก็จะต้องแต่งเนว่าแต่งตัวแต่งหน้าทาปากให้เราเรียบร้อยอันนี้เราถ้าเราทำไปโดยที่คิดว่าเป็นการเล่นละครก็ไม่เป็นไรแต่อย่าไปคิดว่าโอ้ยเราต้องสวยต้องงามเราต้องหล่อต้องอะไรให้คนเขากักเขาชื่นชมเราถ้าอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นความหลง แต่ถ้าเราทำเพราะว่ามันเป็นหน้าที่เราต้องไปทำงานทำการ้องพบปากกับคนเข้าสังคมก็ต้องแต่งหน้อแต่งตัวแต่งหน้าทาปากอะไรไปตามหน้าที่อันนี้ก็ทำได้แต่ในใจเราต้องเหมอนพิจารณาว่าร่างกายอาการ3าที่สองไม่สวยงามมันมีอาการที่เรามองไม่เห็นอยู่ภายใต้ผิวหนังเช่นโครงกระดูกอวัยวะต่างๆอันนี้มันไม่สวยงาม เราอย่าไปหลงคิดว่าร่างกายนี่สวยงามก็เหมือนกับเราเอาเอากล่องสวยๆเอาเอาอุจราระไปใส่ในกล่องสวยๆแล้วก็ห่อด้วยกระดาษสวยๆผูกโบแล้วก็เอาไปโชว์คนอื่นท่านั้นเองควจริงพอไปเปิดแกะกล่องออกมาดูเขาว่าโอ้ยไม่เอาแล้ว mm hmm. ลร่างกายเราก็แบบนั้ น, น, นเราแต่งตัวกันแบบเวอร์ซาเซ่หรือใส่ชุดอะไรต่างๆเป็นแบรนด์เนมทั้งหลายนี่ ก็เหมือนกับเอาเอาเอาเสื้อผ้าสวยๆงามๆไปห่อศพดีๆเนี่ยแต่ว่าศพนี้มันยังหายใจได้มันเลยไม่ส่งตินเหมืนยังไม่ขึ้นอึดพูดง่ายๆแต่ถ้าเวลาใดที่มันไม่หายใจแล้วเดี๋ยวมันก็ขึ้นอืดนี่คือต้องเรื่องการพิจารณาร่างกายต้องพิจารณามันเรามีสองหน้าที่หน้าที่ทางสังคมเราก็ต้องทําไปทำหน้าที่ทางสังคม หน้าที่ทางธรรมเราก็ต้องพิพพจารณาไปทางธรรมเพื่อให้เพื่อให้เราปล่อยวางอย่าไปหลงยึดติดอย่าไปหลงรักหรือไปเสียเวลากับการดูแลรักษาความสวยความงามของร่างกาย <c oughs> ตอนนี้ยังไม่มีจะคะ่ะอมันพิจารณาร่างกายข่้นต้นก็พิจารณาความไม่เที่ยงร่างกายเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายกันทุกคน ไม่ว่าจะเป็นร่างกายของใครก็ตามโดยเฉพาะร่างกายของเราและร่างกายของคนที่ใกล้ตัวเราคนที่เรารักที่เราห่วงห่วงไปก็ไม่ได้ท่าแม่เขาแก่เขาเจ็บเขาตายห่วงด้วยการดูแลได้อยู่แต่อย่าไปห่วงเพื่อให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาการห่วงมันห่วงแบบทำหรือห่วงแบบกิเลสห่วงแบบกิเลส ก, ก็ทุกข์กังวลใจไม่อยากให้เขาแก่ไม่อยากให้เขาเจ็บไม่อยากให้เขาตาย อันนี้เป็นห่วงแบบที่เด็ดอย่างไปห่วงแบบนี้ให้ห่วงแบบทางธรรมคือทําอะไรให้เขาได้ก็ทําไปเขาไม่สบายพาไปหาหมอได้ก็พาไปหายายให้เขากินได้ก็หายเขาไปเขากินข้าวเองไม่ได้หาอาหารกินเองไม่ได้เราก็หาอาหารให้เขาไปห่วงแบบนี้ด้ห่วงด้วยการดูแลดีอยู่แต่ห่วงด้วยความอยากนี่ไม่ดี อยากไม่ให้แก่ไม่เจ็บไม่ตายนี่ไม่ดีมันจะทำให้เราทุกไปแล้วก็ไม่ไม่ไปเปลี่ยนแปลงอะไรร่างกายมันก็ต้องเดินไปตามทางของมันทางของมันก็คืออนิจจังอนัตตาก็คือแก่เจ็บตายในที่สุดใจมีมไหยไม่มีต้องฝึกใจให้เป็นอุเบกขาจะเป็นอุเบกขาได้ก็ต้องฝึกสตินั่งสมาธิ การนั่งสมาธิให้สงบก็ต้องมีสติต้องใช้สติหยุดความคิดต้องหยุดตั้งก่อนตั้งก่อนก่อนที่เราจะมานั่งสมาธิพยายามหยุดมันเรื่อยๆพยายามเบรกมันเรื่อยๆอย่าปล่อยให้มันคิดเติร์นขึ้นมาก็อย่าให้มันคิดโดยการใช้คำพุทธโธพุทธโธไปหรือการคอยดูการเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกายไปดูไปอย่างนี้แล้วมันก็จะไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้คนนั้นคนนี้ไม่ได้ ถ้าเราควบคุมความคิดได้ในระดับตั้งแต่ก่อนที่เรามานั่งเวลานั่งมันก็จะไม่ฟุง้งซ่านเวลานั่งมันก็จะสงบได้ง่ายและได้เร็วแล้วเวลาใจาสงบแล้วก็จะมีอุบเบกขาใจจะนิ่งเฉยได้แล้วต่อไปเวลาที่เราเจอเหตุการณ์ที่เราทำอะไรไม่ได้เราก็ต้องยอมรับแล้วก็อยู่เฉยเฉยไปไม่ทุกไปกับเหตุการณ์นั้นนั้นเพราะทุกไปก็ไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์เหล่านั้น เหตุการล่านั้นก็ต้องเป็นไปตามตามเรื่องของเขามีคําถามจากคุณนกค่ะกลับเรียนถามพระอาจารย์ค่ะจิตทุกดวงอยู่ในที่เดียวกันทั้งหมดหรือเปล่าเจ้าคะจิตมันไม่มีที่มันไม่มีตัวตนไม่ต้องมีที่อยู่เนี่ะไม่เหมือนกับของต่างๆร่างกายของเราเนี่ยมันมีมันมีรูปร่างมีขนาดมีความกว้างยาวขึ้นมันก็ต้องมีเนื้อที่อยู่แต่จิตมันเหมือนความว่างเหมือนเนี่ย มันก็อลไรไม่ต้องมีเนื้อที่อยู่แต่เราแต่ที่ที่จิตอยู่นี่เราเรียกว่าโลกทิพย์มันไม่ได้อยู่ในโลกที่เราอยู่กันในขณะที่ร่างกายอยู่กันมันอยู่อีกโลกหนึ่งอีกมิติหนึ่งเขาเรียกว่าอีกมิติมิตินี้เราเรียกว่าโลกทิพย์เรือโลกของของจิตและวิญญาณจากคุณดวงเดือนค่ะ มีคนขอยืมเงินไปแล้วเขาเอาดอกผลกลับมาผิดสินหรือไม่เจ้าคะแล้วดอกผลนั้นถือว่าบริสุทธิ์หรือไม่นำไปทำบุญจะได้รับอา น, นิสงส์สมบูรณ์หรือไม่น้องกาบขอเข้ามาขอโทษด้วยเจ้าคะ่ะถ้าเป็นคำถามที่ไม่เหมาะสมคะ่ะก็ขึ้นอยู่กับข้อตกลงของเราที่เราให้เขายืเมเงินว่าเราจะเอาดอกผลจากเขาหรือเปล่าถ้าตกลงว่าเราจะเอาแล้วเข้ามาให้ก็มไม่ผิดตรงไหน หรือถ้าเราไม่ตกลงแล้วเขาก็ยังเอามาให้เราอยู่ก็ไม่ผิดตรงไหนเหมือนกันก็เป็นเรื่องของการตอบแทนน้ําใจที่เราให้ยืมเงินเขาโดยที่เราไม่คิดดอกผลแต่เวลาเขาคืนเงินเราเขาก็ห้ า, าดอกมาด้วยเพราะเขาทราบซึ้งถึงน้ําใจของเราเพราะเอยากตอบแทนน้ําใจทั้งสองอย่างนี้ก็ไม่ผิดทั้งถัดไปค่ะ เมื่อเราตายไปจิตจะไปหาขันห้าหม่หมายถึงร่างกายร่างกายใช่หรือไม่เจ้าคะใช่ไปหาร่างกายฐันสี่มีอยู่ในใจอยู่แล้วเพียงจะไปหาขั้นที่ขันที่ห้าคือรูปประขันส่วนนามปขันคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้อยู่ในใจอยู่แล้วเป็นส่วนของใจที่ต้องไปมีร่างกายเพราะอยากจะไปหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพัช ก็เลยต้องมีร่างกายพอได้ร่างกายมาแล้วก็ต้องเจอกฎของตายรักของร่างกายก็คือต้องมีการแก่การเจ็บการตายตามมาถ้าหยุดการหาความสุขจากราบยศสารเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผดทพา่าได้ก็ไม่ต้องมีร่างกายก็จะให้ตกอยู่ภายใต้กฎของตายรักคุณบุญมีถามว่าแล้วเราจะหาจิตของตอนเองเจอได้อย่างไรคะ นั่งสมาธิไงแล้วนั่งสมาธินี่เราจะดึงจิตให้ออกจากร่างกายให้กลับเข้าสู่ใจพุโทโธพุทโธเนี่ยกําลังดึงใจเข้าข้างในดึงใจให้กลับเข้ามาในใจอันนี้ใจเราส่งไปที่ร่างกายส่งไปที่ตาหูจมูกนิ้วกายเพื่อไปรับรูปเสียงกิ่นรสเข้ามาในเวลาเรานั่งสมาธิเราปิดทวารนั้งห้าไม่รับรูปเสียงกิ่นรสผุดตพแล้วก็ใช้สติดึงเข้าไปข้างใน พอดึงได้สำเร็จพอมันแยกออกจากกันปั๊บก็จะเห็นแต่ใจตัวเดียวตัวร่างกายตัวรูปเสียงกลิ่นรสก็จะหายไปชั่วคราวก็จะรู้ว่านี่คือใจใจสามารถอยู่ตามลำพังได้โดยที่ไม่ต้องมีร่างกายคุณรัตนารัตนายาค่ะถามว่าจิตจะตามเราไปทุกพบใช่ไหมคะพระอาจารย์เราก็จิตมันเป็นอยู่ที่เดียวกันเนี่ยเราอยู่ที่ไหนจิตอยู่ที่ไหนเราก็อยู่ที่นั่น พราจิตเป็นคนผลิตเราขึ้นมาเท่านั้นเองเราไม่มีหรอกมันเป็นความคิดเป็นจินตนาการเหมือนนิยายนิยายเขาแต่งเรื่องราวเรื่องนู่นเรื่องนี้มันเป็นจินตนาการมันเกิดจากจินตนาการของจิตตัวเราก็เกิดมาจากจินตนาการของจิตพอเวลานั่งสมาธิพอจิตหยุดทํางานตัวเราก็หายไปพร้อมพร้อมกับการทํางานของจิตคือจินตนาการ แต่พอเราเริ่มคิดมันก็เริ่มจินตนาการเราขึ้นมาทันทีเราคิดเรารู้เราได้ยินเราได้ฟังเราเป็นนู่นเราเป็นนี่ขึ้นมาแค่นั้นเองมันเป็นมันเป็นความความความคิดความจินตนาการมันไม่ใช่เป็นความจริงคุณอัชราค่ะถามว่าถ้าคนตายไปแล้วจะเจอกับคนที่ตายไปก่อนหรือไม่เจ้าคะถ้ากลับมาเกิดก็เจอได้ถ้าเกิดมาเกิดจังหวะเดียวกัน เราอยู่ในที่เดี๋ยวใกล้ๆกันนี้อาจจะเจอกันก็ได้แต่ จ, จะจํากันไม่ได้คำถามจากทั้นถัดไปค่ะหากเรานั่งสมาธิจริงหรือไม่คะพระอาจารย์ที่เราจะลึกชาติได้ค่ะ อ, อ๋อการลึกชาติได้นี่เป็นความสามารถพิเศษซึ่งไม่ได้เกิดกับทุกคนที่นั่งสมาธิพระอรหันทรูปนี้ไม่ได้ลึกชาติได้ทุกรูปบางรูปก็ลึกชาติได้บางรูปก็ไม่ได้ลึกชาติมันไม่เป็น มันไม่เป็นสิ่งจำเป็นต่อการบรรลุธรรมอันนี้เรียกว่าอภิญญาความสามารถพิเศษมีหลายอย่างรับรสชาติได้ติดต่อกับกายทิพย์ได้ติดต่อกับดวงวิญญาณต่างๆได้แล้วก็ อ, อ่านวาลจิตของคนอื่นได้อ่านความคิดของคนอื่นได้ฉะนั้นญาติโยมบางิดว่าจะถามอะไรดีบางทีไม่ทถามตอบซะก่อนนะอันนี้ก็หมว่ารู้รู้ใจกัน อันนี้คือความสามารถพิเศษที่ไม่ใช่เกิดขึ้นกับทุ ก, ทกคนที่บรรลุธรรมบางองค์ก็มีความสามารถบางองค์ก็ไม่มีแตไ่ไม่ได้เป็นข้อบังคับที่จะต้องมีถึงจะบรรลุธรรมได้ตรนนี้ยังไม่มีจะพาโอเคถ้าไม่มีก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติ เพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในทางยิ่งยิ่งขึ้นไปเถิด